بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن الخطاب الاسلاميه بالدمام تواصل معك اخي الكريم المصحف الشريف للاخ سعد الغامدي الشريط ال 16 ويحتوي على جزئي تبارك وعم. ننعمบท المُل.บท المُل بنบท مكيه มี <تصفيق> 30 องกาน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 และบรรดาผู้ศรัทธาประสบความตายและความพินาศบทนี้ถูกขนานนามอีกว่าอัลวาคิอะฮ์และอัลมุลดิยาห์แปลว่าผู้คุ้มครองผู้อุปถัมภ์และผู้ช่วยเหลือเพราะบทนี้จะป้องกันหรือคุ้มครองผู้อ่านให้พ้นจากการลงโทษในสุสานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบทนี้จะปกป้องและช่วยเหลือให้พ้นจากการลงโทษในสุสาน بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ جَ بَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرِ ความจําเริญจงมีแด่พระผู้ซึ่งอํานาจอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ <تباركالذي> <قدير> <تباركالذي> <قدير> และพระองค์คือผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งอัลลอฮุอัลลซีคอละกอลเมาตวัลฮายาตลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซันวะอามะลาวะฮุวัลอะซีซุลกะฟูผู้ทรงให้มีความตายและให้มีความเป็นเพื่อทดสอบพวกเจ้าว่าผู้ใดบ้างในหมู่พวกเจ้าที่มีผลงานดียิ่งและพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงให้อภัยเสมอ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 เจ้าเห็นรอยร้าวหรือช่องโหว่บ้างไหมตุมอรจิรบัสรกะรตัยยันกอลบีอะลัยกัลบัสรคาซีอูวะฮูวะฮะซีบแล้วเจ้าหันกลับมามองอีกเป็นครั้งที่ 2 สายตานั้นก็จะกลับมายังเจ้าด้วยการยอมจำนนในสภาพที่มีความยำเกรงวะลากอดะซัยยันนะสมา الدنيا بمصابيح واجعلناها ارجوما للشياطين واعتذنا لهم عذاب السعير لا دوننا نون เราได้ประดับท้องฟ้าของโลกนี้ด้วยดวงดาวที่มีแสงและเราได้มันเป็นอาวุธไล่ชัยฏอนและเราได้เตรียมการลงโทษด้วยไฟอันร้อนแรงไว้สําหรับพวกมัน اول للذين كفروا بربهم ماذاب جهنم นํ้าบิสลมัศีดและสําหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขานั้นคือการลงโทษแห่งนรกยาฮันนัมและมันเป็นทางกลับที่ชั่วชาญยิ่งอีซาอุลกูฟิฮาซะมิอูลาฮาชะฮีกอวะฮิยะตะฟูรเมื่อพวกเขาถูกโยนลงไปในนรกพวกเขาจะได้ยินเสียงของมันร้องครวญคราง ขนาดที่มันกําลังเดือดพราดจะกระดุ ตะมيز من الغيب كل ما القيا فيها فوج سالهم خزنتها سالهم خزنتها الم ياتكم ندير มันแทบจะระเบิดออกเพราะความเคียดแค้นทุกครั้งที่พวกหนึ่งถูกโยนลงไปในมันยามเฝ้านรก จะถามพวกเขาว่าไม่ได้มีผู้ตักเตือนมายังพวกเจ้าดอกหรือกาลูบะลากอดจาอะนานะดีรฟะกัซซะบนาวะกุลนามานัซซะลัลลอฮุมินชัยฟะกัซซะบนาวะกุลนามานัซซะลัลลอฮุมินชัยอินอันตุมอิลลาฟีดะลาลินกะบีรพวกเขากล่าวว่ามี ได้มีผู้ตักเตือนมายังเราแต่พวกเราได้ปฏิเสธและเราก็กล่าวอีกว่าอัลเลาะห์มิได้ประทานสิ่งใดลงมาพวกท่านต่างหากที่อยู่ในการหลงผิดอย่างมากวะกาลูลาวคุนนะนัสมาอูวะนะอฺกิลูมาคุนนาฟีอัศฮาบิสซะอีดแล้วพวกเขากล่าวอีกว่าหากพวกเราฟังและใช้สติปัญญาใคร่ครวญ พวกเราก็จะไม่ได้เป็นชาวนรกอย่างนี้หรอกนะเจอผู้บิดังพวกเขายอมสารภาพความผิดแต่มันห่างไกลไปเสียแล้วสําหรับเป็นชาวนรกอินนัลลซีนะยัคชาอูร็อบบะฮุมบิลไกบิละฮุมมัฆฟิเราะตุวะอัจรุนกะบีร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 અલા يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير પ્રભુ સંગ સાંગ จะไม่รู้ดอกหรือพระองค์คือผู้ทรงรอบรู้อย่างถี่ถ้วน هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور พระองค์คือผู้ทรงทําให้ผืนดินนุ่มราพเรียบสําหรับพวกเจ้า ดังนั้นจงสัญจรไปในขอบเขตของมันและจงบริโภคจากปัจจัยยังชีพของพระองค์และยังพระองค์เท่านั้นคือการฟื้นคืนชีพเอออะมีตุมมังฟิสสมาอ์ไอยัคซิฟบิคุลอัฎฟะ فاذا ฮิยะตุมพวกเจ้าจะปลอดภัยหรือจากการที่พระผู้ทรงสถิตอยู่ณฟ้าฟ้าจะให้แผ่นดินสู่พวกเจ้า แล้วขณะนั้นมันจะหวั่นไหวสั่นสะเทือนอัมอามินจุมมินฟิสสมาอในยุซลิอะลัยกุมฮาซิบาตฟะซะตะอัลมูนันไคฟะละดีดหรือว่าพวกเจ้าจะปลอดภัยจากการที่พระผู้ทรงสถิตอยู่ณฟ้าฟ้าจะทรงส่งลมหอบก้อนกรวดให้กระหน่ำมายังพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าก็จะได้รู้ว่า การตักเตือนของข้านั้นเป็นเช่นใดอะวะลักอดกะซะบะลละดีนมินกอบลิฮิมฟะไคฟะนกานะละกิลละโดยแน่นอนบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาได้ปฏิเสธมาก่อนแล้วดังนั้นการปฏิเสธคำเตือนของข้ามีผลเป็นอย่างไรอะวะลัมเยรออิลัลไตรฟาวกะฮุมซอฟะตวะยักบิด ما يمسكهم الا الرحمن انه بكل شيء بصير พวกเขาไม่ได้มองดูนกที่บินอยู่เบื้องบนของพวกเขาดอกหรือมันกางปีกและหุบปีกของมัน ام من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور ري بودาย เล่าที่เป็นพรรคพวกของพวกเจ้าที่ช่วยเหลือพวกเจ้าอื่นจากพระผู้ทรงกรุณาแท้จริงพวกปฏิเสธศรัทธานั้นไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากการ อยู่ในการหลอกลวงเท่านั้นอัมมันฮาซัลลซียัรซุกุกุมอินอัมซะกะรซกะบัลลัจูฟีอะตูวัลลูรหรือผู้ใดเล่าที่จะให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าหากพระองค์จะทรงระงับปัจจัยยังชีพของพระองค์ไว้แต่ว่าพวกเจ้าดื้อรั้นอยู่ในการหญิงยะโซและห่างไกลจากความจริง فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ผู้ที่เดินความน่าจะอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องกว่าหรือว่าผู้ที่เดินตัวตรงอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรง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 قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพระองค์เป็นผู้ทรงแพร่เผาพันของพวกเจ้าในแผ่นดินและพวกเจ้าจะถูกรวบรวมให้กลับไปยังพระองค์ و يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين และพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะเกิดขึ้น 하พวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง กุลอินนัมัลอิล무 인달라 와인나마 안나디르 무빈 จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่อัลลอฮความจริงฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่านั้น 탈ัม마 라우후ซุลฟะน시 ان توجوه الذين كفروا قيل هذا الذي كنت به تدعون तो जब वो केव हेन मन कान लोंग थोत क्लाइ खा मा लाओ बाय नाओ खो बानदा फू पतिसेत सत्ता को चा मोन मोंग ला चा मी सियंग क्राव वा नी खु सींग थी फूक चाओ खोय रोंग खो हाय मन गर्ट खुन ਕੁਲ ਅਰਾਇਤ ਇਨ ਅਹਲਕਨੀ ਅਲਲ੍ਹਾ ਵਮਨ ਮਾਯਾ ਔ ਰਹਿਮਨਾ ਫਮਨ ਯੁਜੀਰੁਲ ਕਾਫਿਰੀਨ ਮਿਨ ਅਜ਼ਾਬਿ ਅਲੀਨ ਜੰਗ ਕਲਾਉ ਥੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ ਫੁਆਕ ਚਾਉ ਚੋਂ ਬੋਕ ਥਨ ਸਿਵਾ ਹਾਕ ਅਲਲ੍ਹਾ แล้วผู้ใดเล่าจะช่วยให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดกุลฮัวรเราะห์มานอามันนาบิฮิวะอะลัยฮิตะวักกัลนาฟะซะตะอัลลามูนมันฮัวฟีฎะลาลมุบีนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระองค์คือพระผู้ทรงกรุณาเราศรัทธาต่อพระองค์แล้วเราขอมอบหมายแด่พระองค์ แล้วจะได้รู้ว่าใครผู้ใดอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งกุลอะไรตุมอินอัศบะฮะมาอุกุมฆอรอะฟะมันยาติกุมบิมาอินมะอีนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าจงบอกฉันสิว่าหากแหล่งน้ําของพวกเจ้าเดือดเหือดแห้งลง แล้วผู้ใดเล่าจะนำน้ำที่มากมายมาให้พวกเจ้า